ในช่วงนี้ก็ได้ศึกษาในเรื่องของบา ร, รมีทั้งหมดซึ่งเป็นคุณสมบัติหรือเป็นคุณธรรมที่เพื <c> ่อ <oughs> <c oughs> เป็นผู้ฉลาดหลายประการในโพธิสมภารของคนบุตรผู้ตั้งอยู่ในฐานะนั้นให้อุตสาหะในการปฏิบัติไปสู่มาหาโพธิญาณเนาะแล้วก็เป็นจุด แบบอย่างที่เราทั้งหลายจะได้เอามาฝึกตัวเองด้วยเราเรียนรู้ในเรื่องของทานน่ะบารมีก็คือการให้ทานนี่แหละเรียนรู้เรื่องศีลบารมีนะแล้วก็เนคขมารบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีช่วงนี้เป็นช่วงในการ เรียนเรื่องบรารมีบรารมีก็คือเป็นคุณสมบัติหรือการกระทําที่ยิ่งยวดสําหรับใครสําหรับพระพุทธเจ้าใช่ไหมพุทธเจ้าท่านบริบูรณ์แล้วและท่านก็ บ, บริญิพานแล้วฉะนั้นแล้วเราทำไมต้องเรียนเรื่องบรารมีด้วยอะก็เพื่อต้องการเอาบรารมีเนี่ยมาใส่ไว้ในตนเพื่อเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือ ทำให้เราทั้งหลายนั้นเป็นผู้สามารถเข้าถึงคุณธรรมนี้นังนั้นบา ร, รมีทั้งหลายคืออะไรก็คือคุณธรรมมีทานเป็นต้นที่พระโพธิสัตว์หรือพระมหาสัตว์ค้นหาด้วยความเป็นผู้ฉลาดในอุบายกรุณนาทีนี้ในการบาเพ็ญบา ร, รมีเนี่ยต้องเป็นการบาเพ็ญบา ร, รมีที่ไม่มีตัณหามานาทิฐิ เข้าไปอิงอาศัยก็คือว่าการบำเพ็ญบารมีนั้นต้องสามารถทำลายสามตัวนี้นะ้สำคัญที่สุดนึงหนึ่งการให้ทานก็ต้องทำลายตัณหาและทำลายมานะทำลายทิฏฐิสามตัวนี้ถ้าการให้ทานไม่ทำลายสามตัวนี้ไม่เป็นบารมีถ้ายิ่งให้ทานแล้วไปเพิ่มตัณหาคือความทะยานอยากมานะคือยกตนชูตนเปรียบเทียบตนทิฏฐิคือความมิจผิด อย่างนี้เป็นบารมีไหมไม่เป็นบารมีกับกลายเป็นการทําให้บารมีนั้นเศร้าหมองใช่ไหมลนะ่ะการรักษาศีลหรือจะเจริญศีลและบารมีถ้ามีตัณหามนาทิฏฐิถ้าไปอิงแอบบก็ไม่เรียกว่าบารมีฉะนั้นบารมีทุกข้อต้องทําลายอะไรทาลายตัณหามานาทิฏฐิใช่ไหมฉะนั้นมานะตัณหามานาทิฏฐิไม่เข้าไปหรือเข้าไปทําลายตัวนี้แหละ คำว่าบา ร, รมีก็ได้แก่คำว่าปารังปารังศัพท์นี้เป็นชื่อของพรนิพพานเป็นบทหน้ามคิทาตในความไปลงนี้ปัจจัยลบนะลบที่สุดธาตุก็กลายเป็นบา ร, รมีแปบลบคุณธรรมมีทานเป็นต้นที่ให้ถึงฝั่งคือพระนิพพานคุณธรรมมีทานเป็นต้นที่จะให้เขาถึงฝั่งคือพระนิพพานใช่ไหมเมื่อวานก่อนก็ได้พูดไปแล้วเรื่องบา ร, รมีหลายๆความหมายการกระทําที่ยิ่งยวดก็ได้ ทานบารมีเนี่ยเรียนไปแล้วสีละบารมีก็เมื่อวานนี้ใช่ไหมวันนี้ก็เลยมาเรียนในเรื่องของเนคขมะบารมาีมาทำความเข้าใจกันนะเนคขมะเนคขมะบารมีเนี่ยลักษณะจดุกระลักษณะของเขาคืกามะ โตจ่าภาวะพักคาวะโตจะมีการออกจากกามและออกจากออกจากกามนี่แหละเป็นลักษณะกามมีสองส่วนเนาะหนึ่งวัตถุ ก, กามก็ทิ้งบานเรือนออกมาเลย อ, อย่างพวเกเราเรานี้ก็เรียกวิมเบนได้คำนั้นมีการออกบวชนี่ออกมาอย่าง กายแล้วออกไหมยังออกแล้วออกจากกามออกจากเกมออกจากบ้านออกจากรถออกจากรับออกจากบุตรออกจากภรรยาออกศรกทามีสระมออมาหมดแล้วนี่เขาเรียกมีเนคขมมะมีการออกนีทางกายออกหรือยังแต่เนคขมมะจริงๆน่าออกทางไหนเออใจต้องตัดออกมาด้วยยังโหยหาอยู่ไหมใจยังโหยหากลับไปถ้าอย่างนี้ เ, เนคขมมะเฉพาะรูปแบบ เ, เนคขมมะทางใจไม่ได้หมอเอย่างพราะเนคขมมะเนี่ยมันมีสา์อีกศสา์หนึ่งก็แปลว่าการออกจากกามเนคขมมะเนี่ยออกจากกามก็เป็นอะโลพะสภาพจิตที่ไม่ติดข้องในกามทั้งหลายเป็นต้นเรานี้แล้วในขณะเดียวกันก็คือว่าเวลาออกจากกามก็ต้องมีการประกาศโทษของกามนั้นเป็นกิตด้วย ออกจากกิเลสกรรมด้วยนะอโอ้โหมีโทษจริงๆมีไหมกรรมมีโทษไหมมีหรือไม่มีมีสิไม่มีได้ไงตาหูจมูกเล่นกายใจเป็นกรรมไหมเป็นวัตุ ก, กรรมนะีแล้วติดข้องมันไหมไ เวลาเร า, เราแค่เนี้ยแค่ตาหัวใจของเราแก่กระแสชีวิตของเราเนี้ยนี่เป็นกามเนอะถามว่ายุ่งยากไ้ยเนี่ยต้องดูแลไหมโอ้โหแล้วองคิดดูทีเนี่ยวันวันหนึ่งเราต้องมาดูแลแค่มี <c oughs> เนี่ยซักแล้วซักอีกกันอย่าเหม็นเหม็นหน้าดูวยอ่ติดข้องมั น, น <c oughs> ก็คือประกาศโทษทออกมาไม่มดีจริงเลย พระวิษณ์ท่านก็พูดถึงในเรื่องว่าเออบางทีท่านพูดหนักเลยนะท่านก็พูดหนักว่าถึงขนาดว่าเออเหมือนคนเป็นโรคเรื้อนก็เห็นเป็นคนคนเป็นโรคเรื้อนนะคนเป็นโรคเรื้อนเนี่ยมันจะมีแผลแล้วมันจะมีไอตัวไอตัวสัตว์อะไรมันชอนชยอยู่ตามเนี่ยโรคเรื้อนรักษาไม่หายต้องไปย่างตัวก่อไฟขึ้นมาก็ตัวเองไปย่างใช่ไหมเพรย่างแล้วก็ ไอ้ตัวหนอนที่มันจ่อยตามตัวมันก็มันก็มันก็หนีหนีความร้อนพอย่างย่างแล้วเนี่ยมันจะตกสะเก็ดพอตกสะเก็ดแล้วก็จะเอาเล็บไปแกะออกเนี่ยมีความสุขตอนแกะเนี่ยตอนตอนแกะอยู่นัแต่มันเจ็บปวดแต่ว่าเวลาแกะมีความสุขนะพอละแกะสะเก็ดออกที่มันคันๆเลย การมันก็ให้ให้ให้คุณตอนนั้นแหละ <c oughs> มันยังมีความสุขนิดแต่มันโทรมเยอะลองคิดดูว่ากรณีแบบนี้ท่านก็เลยอุปมาว่าเออเหมือนกามทั้งหลายเป็นอย่างนี้มันมีโทษ่ะนะแล้วก็มีการหันหลังให้จากโทษนั้นแหละเป็นผล เหตุใกล้ของเขาก็คือความสลดใจเนคขมะบารมีคือการออกจากกรามทั้งหมดเนีเป็นบารมีที่พระโพ ธ, ธิสัตว์ค้นพบเป็นบารมีข้อที่สมต่อจากศีแลบารมีเนคขมะเนี่ยย่อมเห็นโทษในการคลองเรือนเห็นอนิสง์ของการออกจากเรือนเนีเนคขมะคือการบรรญชาเนี่ยเป็นอภโกาบคือ อภอการศาตรในที่นี้คือการทําศีลให้ใบริบูรณ์เนคขมะก็เป็นศัพท์สันสกฤตนะถ้าบาลีมาจากคําว่านิกกมโมนิคมนังเนี่ยนีก็แปลว่าออกเป็นบทนากรรมูธาต์ในความก้าวก้าวออก น, นั่นเองลบอู ท, ที่สุดธาตุก็เป็นนิกกมโมนิ ก, กมะก็หมายความว่าก้าวออกก้าวออกจากอะไรก้าวออกจากกามก้าวออกจากกิเลสกรรมก้าวออกจากราคาโทสโมหะ แล้วก็ก้าออกจากวัตถุการมทั้งหลายไม่ไปติดข้องไม่มัวเมากับมันเขียนปุ๊บโอไม่เอาแล้วเนี่ยลักษณะเนี้ยนี่จะเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ทีนี้ดูในชั้นของบารมีที่เรามาศึกษากันก็คือว่าพระโพิษัทพิจารณาเห็นการเกิดขึ้นเห็นการเกิดขึ้นของอะไรเห็นการเกิดขึ้นของกุศลจิตนั่นเป็นไปได้ง่ายในการออกจากการมอย่างนั้นถ้าจะออกจากการมได้ต้องทำกุศลจิตให้เกิดขึ้น ถ้าทำความโกรวมไมเกิดขึ้นปุ๊บจิตมันก็ไปหมกมุ่นในกามอยู่นะเป็นหมกมุ่นในสีเสียงกลิ่นรสฝลทุกธาตุต่างๆแต่อย่างเงี้ยยังสามเณรที่ก็ยังเด็กๆอยู่เนี่ยเขายังชอบอยู่เขยังชอบกามยังชอบไปเล่นสนุกสนานเพลิดเพลินเนี่ยเขายังชอบอยู่นะเนี่ยเขาถือว่ามันยังมันเขาถือว่าเป็นคุณกับเขาแต่ว่าจริงๆก็คือว่าสักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาจะรู้เขาจง ถามว่าเนี่ยมีฟันมีตามีหูมีผมมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นกระดูกมันต้องดูแลโทษมันทุตคอยประคบประงมดูที่สุดจริงๆก็เอาไว้ไม่ได้พังหมดเลยนะตอนนี้เขาเแต่ถ้าพระพริธศาสตร์บางชาติเนี่ยเห็นผมงอกเส้นเดียวออกบวชเลยอุ้ยไม่ไหวแล้วมาเตือนเราแรงเหลือเกินเดี๋ยวเราก็ตายแล้วรีบออกบวเลยนะถ้าหนูกลับไปนะ เห็นเสน้นอเห็นเส้นผมงอกหนึ่งเส้นเมื่อไหรแล้วให้บวชเลยนะนฮะไม่ยังมีแล้วหรืนอนานๆทีเออมีเหมือนกันเลยโอก่จ้าถ้าเห็นเส้นหนึ่งนะาแสดงว่ามาเตือนแล้วยอมมาทูตมาเตือนแล้วใกล้ตายแล้วว่างั้นเลยไม่ไหนต้องออกบวชแล้วคือก็มีการเห็นโทษเป็นเบื้องต้นฉะนั้ น, านกามทั้งหลายมีความยินดีน้อย มีความผูกพันด้วยสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์มากมายการที่คารวะเนี่ยไม่มีโอกาสแสดงาความสุขในเดชม้ได้นั้นก็เพราะความไข่ในการมคุณคำว่ากามคุณเนี่ยก็แปลว่าการมคุณในศัพท์นั้นแปลว่าเครื่องผูกเช่นบุตรเอ๋ยภรรยาเอ๋ยทรัพย์เอ๋ยเป็นต้นเหล่านี้เป็นเครื่องผูกหมดเลยเป็นเครื่องผูกทําให้สัตว์ทั้งหลายดิ้นออกไม่ได้เป็นโซ่เลยนะโซ่ผูกผูกคอกับ ผูกมือแล้วก็ผูกเทา้าเวลาศพคนจะตายเขาจะมัดตาสังเห็นไหมไม่เคยไปเห็นศพมั้ยเคยไหมเขามัดสามจุดนะมัดที่ไหนบ้างมัดคอแล้วก็มัดที่ไหนอีกมัดมือแล้วก็มัดที่เทา้าคอนี่หมายถึงอะไรมือนี่หมายถึงอะไรม า, รามทำนะภร <Good. S 1> รยา ภรรยาหรือสามีเนี่ยมือส่วนคอนี่ซับเท้านี่บุรไปไหนไม่ได้เอาโซ่มัดอยู่นเนี่ยเป็นเครื่องผูกถ้าเนคคามาก็ออกตัดห่วงเนี่ยตัดเครื่องผูกได้เพราะความไข่ในกลามเนี่ยเหมือนละลายที่บอกได้ว่ามันการเกี่ยวข้องในกามรรคทั้งหลาย การเกี่ยวข้องในกามคุณทั้งหลายก็เหมือนกับดุดเอาลิน้นเรียคมมีดกนที่ติดน้ําผึ้งนะลองเอามีดกนไปจุ่มน้ําผึ้งนะแล้วก็เนี่ยเอาคมออกอย่างนี้แล้วก็ใช้ลิ้นเรียดูนะฟึดนั่นอหละการเรียอย่างนั้นแหละมันมีรสหวานไหมแต่เจ็บปวดไหมนั่นแหละเมื่อเราไปเกี่ยวข้องกามแต่ละครั้งเราก็จะได้ความเจ็บปวดกลับมาอย่างนั้นเละตั้งอยู่ในความเศร้าหมองทั้งสิน้น ครับแค้นมากด้วยบุตรด้วยทรัพย์ด้วยภรรยาเป็นต้นเหล่านี้นะวุ่นวายไปด้วยความตั้งใจในการทำงานหลายอย่างมีการทำไร่ทานาและการค้าขายเป็นต้นการสวยการมาคุณก็เลยอุปม า, มาด้วยโครงกระดูกน่แหละเพราะมีความยินดีน้อยเหมือนสุนัขน่แหละแท้กระดูกเหมือนการฟ้อนลาที่ต้องใช้แสงไฟทำให้เกิดสัญญาวิปริตดูเหมือนสวยงามแต่จริงไฟไมันหลอกเราเนี่ คือความจําที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงดุดเครื่องประดับของคนบ้าเป็นการตอบแทนนั่นว่างี้ยเดียดูดปกปิดไว้ด้วยคูดอันเป็นสิ่งที่ไม่สะอาดไม่รู้จัะอิ่มเหมือนดื่มน้ําที่นิ้วมือไม่อิ่มเปลยได้นิดหน่อยมีความไม่สบายดุดบริโภคอาหารในเวลาหิวก็หายเป็นบ่อกเกิดแห่งความพินาศทั้งปวงพวงกนั้นเถอะเนี่ยทางการพิจารณาในลักษณะเนี้ย เป็นเหตุนำมาซึ่งทุกข์เอ ม, มีอยู่เรื่องหนึ่งนะหัดเคยได้ยินไหมจิตตหัตถกาพิขุที่ที่ชื่อจิตตหัตถกาเนี่ยแปลว่าอะไรรู้ไหมแกบวชบวชศึกๆึกในเจ็ดครั้งเจ็ดครั้งเลยเป็นคนที่พอตอนนั้นเนี่ยแกเข้าไปเลี้ยงไปหาวัวควายควายหายเนี่ย หัวเอ่ยควายเอยหายไปเที่ยวหาจนหิวแล้หิวไปเสร็จแล้วก็ไปเข้าไปในป่าก็ไปเจอที่พระท่านอยู่กันตอนนั้นพระกำลังฉันเพลินกันเพ่งเสร็จแค่หิวมั่งเข้าไปหาพระก็เลยบอกเอ้ยนิยมนี่อาหารเหลือแล้วพระสละแล้วเป็นเดนแล้วะิยมมาไปทานเลก็นั่งกินกินอาหารโอ้โหแคก็นึกในใจว่าโอ้โว การบวชนี่ดีเว้ยได้แต่อาหารดีๆแบบนั้นเนี่ยอย่าันนั้นเลยเราอย่าไปแน่นมาเลยแบบนั้ น, น, บ, น, นบวช ด, ดีกว่ามันก็เลยบวชเลยนะี่พอบวชได้มาหน่อยเนี่ยนะในข้าในาข้าก็ก็ซึกงอีกแล้วพอถึงหน้าพอเกิดทุกข์ลำบากนิดๆหน่อยแต่แคมีอัธยาศาัยอย่าง่าบวชแล้วในะกชอบช่วยเหลือพระ คอนวดฟันดูแลทํากิจกรรมต่างต่างเนี่ย อ, อแล้วก็ศึกออกไปเนี่ยเป็นอยู่อย่างเงี้ยหกครั้งจนครั้งที่เจ็ดเนี่ยแคเกิดความเบื่อขึ้นมาแคเบื่อหน่ายขึ้นมาแค่ก็อุทานอย่นี้อุทานเบื่อพรอุทานอุทานขึ้นมาเนี่ยไปไมาก็ที่สุดจริงจรแกได้บรรลุเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโทษ แ้วก็พอต่อมามาบำเพ็ญเพียรอีกได้เปรู้เป็นพระหลังพระเจ้าก็เคยยังเคยเล่าให้ฟังว่าเออแม้อดีตชาติพระเจ้ายังยังเคยนะยังเคยบวชบวชศึกศึอย่างนี้เลยอะ่ะก็ท่านก็เล่าให้ฟังว่าไอ้ที่ว่าท่านมีจอบหินเฮียนอยู่อันแล้วก็รู้สึกจะเป็นถั่วมีถั่วอยู่ประมาณสัไกไอ เหมือนจะขึ้นกระแป้งนี้ก็ปลูกพอปลูกถัว่วปลูกอะไรเสร็จเสร็จแล้วผลปรากฏว่าพอถึงหน้าที่มันไม่ได้ทําอะไรแล้วก็ก็อยากบวชก็ทําอยู่เนี้ยออกบวชออกบวชออกบวชอยู่เนี้ยจนครั้งสุดท้ายเนี่ยไปเห็นภรรยาภรรยาตั้งท้องแล้วก็มันนอนหลับแบบผ้าหลุดรุ่ยนอนกลน่น <Jub ilee> แล้วก็นอนละเมอน้ำลายไหลพ็เห็นแล้วโอ้โหเสียดสีเอียนเลยเหมือนอย่างที่พยาศากุลบุตรเห็นเนี่ยยันตอนยศศาก็เหมือนกันนะก็เนี่ยเห็นกลุ่มพวกหญิงบำเลอทั้งหลายเหล่าเนี้นอนผ้าหลุดลุ่ยนอนกรนบ้างนอนละเมอบ้างน้ำลายไหลบ้างเห็นแล้วเหมือนกับอยู่กับป่าช้าผีดิบโอ้ไม่เอาแล้วก็เลยเนี่ยแล้วต่อมาก็ออกบวชแล้วก็บำเพ็ญเพียรได้บรรลุเหมือนกันแต่ว่านั่นได้ฌานสมาบัติเนี่ย S <S นี่เนคขม้าเออตรงเนี้ยถ้ามองถึงเนคขม้าเนี่คือความยินดีในการหลีกออกจากกามเนี่ยนะตัวชื่อเนคขม้าจริงๆเป็นชื่อของปฐมฌานก็เป็นเนคขม้าวิปัสสนาญาณก็เป็นชื่อของเนคขม้าคือปัญญาที่เขาไปรู้ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานิพพานก็เป็นชื่อของเนคขม้ากุศลที่น้อมออกจากกามทั้งหลายเหล่านี้ยเรียกว่าเนคขม้าหมด เนี่ยเป็นเนคข ม, มา่าไอ้เนคข ม, ม่าเนี่ยมีอะไรเป็นเหตุใกล้มันจะมีคําว่าเนคข ม, ม่าสังกปะไอ้ความดํำริออกจากกามเนี่ยนะไอ้ตัวเนคข ม, ม่าสังกปะเนี่ยมาจากตัวสัมมาทิฏฐิมาจากโยนิโสมนสิการเป็นต้นด้วยความเป็นผู้ฉลาดคิดนี่แหละมันอยู่เป็นกลุ่มของปัญญาสังเกตดูนะจิตที่น้อมออกจากกามใช่ไหมเป็นอะโลภะสามารถกําจัดความโลภได้ถ้าน้อมออกจากพยาบาทเป็นอัพยาปาธาสังกป่า น, นี่สามารถตัดความโกรธได้แล้วก็เอาวิหิงสาสังคป่านี้ออกจากความเบียดเบียนก็เป็นกรุณาก็สามารถกําจัดความคิดเบียดเบียนคนอื่นก็เป็นกลุ่มโทสะเป็นต้นได้เนีเป็นกลุ่มโทสะกลุ่มอิสาทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นส่วนปัญญาเนี่ยเขาทำลายอะไรเขาทำลายโมหะให้สังเกตไว้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะ2ตัวนี่ยเขาทำถ้าสัมมาสังกปะทําลายโลภะก็ทำลายกลุ่มโทสะ แต่ถ้าหากว่าสัมมาทิฏฐิก็ทำลายโมหะมีเป็นต้นเนี่ยสกลุ่มนี้ก็าทำลายอากุศลเหล่านี้โลภะโทสะโมหานี่เองนั้นเน่คัมมาเนี่ยก็คือการออกจากกามเนี่ยความดําริออกจากกามทั้งหลายความคิดออกจากกามทั้งหลายเหล่านีย้ยินดีในการหลีกออกจากกามเป็นเหตุแห่งการบรรพชาฉะนั้นเมื่อพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทั้งหลายบัตเกิดขึ้นแล้วพระโพธษษิสัตว์ได้บวชในศาสนาของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเหล่านั้นบวชแล้วก็เป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลตามที่ได้กล่าว ก็จะสมาทานทุดงคุณด้วยเพื่อความของแผ้วแห่งสีและบรารมีนั่นแหละดังนั้นพระโิษัตวก็สมาทานทุดงด้วยบริหารทุดงเหล่านั้นอย่างอุกฤษเป็นผู้มากน้อยสันโดษมีความประพฤติบริสุทธิ์เนี่ยมีศีลที่ไม่มีโทษเป็นต้นด้วยสามารถชําระมนทินคือกิเลสสารอกกิเลสออกเป็นต้นได้เป็นผู้ขัดเกลาไม่คุกครีเป็นต้นเหล่านี้ฉะนั้นในบรรดาอารมณ์กรรมฐานทั้งหมดเหล่านี้จะ เ, เป็นเนคัมมา เป็นอุบา ย, ยาการเข้าถึงเนคขมารคือปฐมฌาบเบนเป็นต้นในหมดเลยเช่นบันเพนเ อ, าอาณาปานสติก็ดีกระสินก็ดีพรหมวิหารเป็นต้นเหล่านี้ก็ดีเนี่ยคำวมาฐานต่างๆเหล่ า, านี้เป็นอุบายการให้เข้าถึงเนคขมารที่ถูกต้องทั้งนี้พอมองเห็นนี่ยังตอนนี้นี่เนคขมารวิธีปฏิบัตินี้เนคขมรารประการที่สี่พูดถึงข้อปฏิบัติของปัญญาบารมีอ่ะตอนนี้ขึ้นปัญญาแล้วเนียปัญญานี่สําคัญ เมื่อกี้ได้ karma แต่ที่ขึ้นปัญญาปัญญานี่สําคัญไหมสาคัญนะ <c oughs> ปัญญาบารมีลักษณะของปัญญาเนี่ย <c oughs> เขาแปลว่าการรู้ชัดแล้วก็รู้ทั่วนีรู้โดยประการและต่างๆมีการแทงตลอดตามสภาวะนี่เป็นลักษณะปัญญาต้องเป็นแบบนี้นะ หรือแทงตลอดแบบไม่ผิดพลาดเป็นลักษณะด้วยแล้วก็มีการรุ่งเรืองในอารมณ์เป็นกิจมีความไม่หลงเป็นผลมีสมาธิตั้งการแล้วเป็นเหตุใกล้มีสัจจะสี่เป็นเหตุไกล้ก็ได้ปัญญานี่ก็แปลว่ารู้ทั่วหรือรู้ทั่วโดยเป็นรู้ในไหนรู้โดยความเป็นของไม่เที่ยงไปเจาะทะลุทะลวงให้เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นอนัตตาแบบไม่ผิดพลาดนี่แหละเหมือนอะไร แทงตลอดสภาว่าทำไม่ผิดพลาดเหมือนลูกธนูที่นายขมังธนูยิงไปแล้วก็มีความแจ่มแจ้งในลมเหมือนประทีบที่กำลังลุกโพงอยู่อย่างนั้นเลยมีความไม่หลงก็อย่างที่ได้บอกไว้แล้วว่าเหมือนมักคุเทศนำทางอ่ะชำนาญในทางป่าฉั้นถ้ามีปัญญาแล้วเนี่ยคอยนำจิตแล้วเนี่ยปัญญานั้นจะนำทําให้จิตนั้นไม่อึดอดัดไม่ขัดข้องไม่ครอบค้องเคยเป็นไหมเวลาเรานั่งอยู่เฉยๆแล้วเราอึดอดัด คิดอะไรก็ไม่ออกเป็นไหมมันงงๆในชีวิตตลอดเนี่ยมันหาทางออกไม่ได้เป็นไหมแล้วก็เลยพุ้งสั้นเลยไม่คิดอะไรมันแล้วนี่อันนั้นบอกบอกว่าตอนนั้นเน่ยจิตมันเดินได้ไหมจิตมันอั้นจิตมันไม่สามารถที่จะไปได้นดั่นเองแต่ถ้าหากมีปัญญาปุ๊บปัญญาจะเป็นดังมรุพุทธเลยนําทางก็คือสามารถออกจากทางมัวเมาลุ่มหลงเป็นต้นได้มีปัญญาเป็นอย่างนี้แค่นั้น ผู้หวังปัญญาบารมีเนะี่ยหรือผู้บิษัทท่านหวังปัญญาบารมีบุตรก็ควรเว้นเหตุแห่งโมหก่อนจึงควรทราบถึงสาเหตุแถึงความหลงอะไรคือความอะไรเป็นเหตุของความหลงอะ่ะหนึงความริษยาเห็นคนอื่นได้ดีแล้วทนไม่ได้เออในะถ้ากิเลสตัวนี้เกิดขึ้นมาปุ๊บจะเป็นเหตุทําให้หลงเนะี่ยเห็นคนอื่นเขาได้ดีแล้วก็เป็นริษยาเขาเห็นคนอื่นเขาสวยกว่าก็เป็นริษยาเขา เห็นคนอื่นเขาแต่งตัวดีกว่าก<พ>็ไปริษยาเขาเห็นคนอื่นเขาฉลาดกว่าก็ไปริษยาเขาญญ skeleton skeleton เคยเป็นไหมเป็นไหมแบบเนี้ยเห็นคนอื่นเขาโอ้เราสู้เขาไม่ได้ก็ริษยาเขาทนไม่ได้ไม่อยากฟังไม่อยากฟังความสําเร็จของบุคคลอื่นอันเนี้ยเป็นเหตุให้ให้ให้โง่ถ้ากิเลสตัวนี้เกิดมากๆามากมแล้วจะทําให้โง่หนูเคยเป็นไหมเห็นคนอื่นเขามีของเล่นดีกว่าก็ริษยาเขา เห็นเขาทำงานประสบความสําเร็จกว่ากฤติศยาเขาเห็นเขาเรียนแล้วเขาได้ที่หนึ่งก็ไปฤิศยาเขาอีกเป็นไหมเ ป, เ, ปเป็นไม่เป็นเป็นมั้ยอืออย่าให้เกิดนะกิเลสตัวนี้ถ้าถ้ากิเลสตัวนี้เกิดแล้วปัญญาจะเกิดไหมจะโง่ได้ดีเคยเป็นไหมทุกวันยังเป็นอยู่ไหมยังมีบ้าอ่าเดีว่าลติศยาเรื่องอะไร มีไหนมีไห ม, น, ม, ไหมนะเห็นคนอื่นก็าศึกแล้วลิสยาเขาเป็นไหมทำไมเราไม่ได้ศึกตรงนา้เป็นไห ม, ไ ม, มเห็นใครศึก น, นะเลยอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยปัญญาจะมีเกิดอเห็นเขาบวชแล้วลิสยาเขาอยากอยากจะบวชบ้างบวชแล้วฮนะบวชแล้ว ไม่ไม่แป้นไม่มีแร้วจะเปจะไปทีสยาอยางไงเราบวแล้วแล้วความเฉยชาความเฉยชาก็เป็นเหตุทําให้ไม่ฉลาดเฉยชาคืออะไร อ, อ่ะอืดอาเฉยชาซึมซึมสลึมสลึ ม, ม, ม, ม, ม, มเนี่ยความซบเซาความเกลียดคานพวกนี้อันนี้เป็นเหตุในความโง่หมดเลยนะ ฉะนั้นถ้าเรามีอัตยาถัยแบบนี้นะว่าถ้าความหลงมันจะเกิดขึ้นมาจากหนึ่งริษยา2ก็เฉยชาสก็ซบเซา4ก็คือความเกียดค้านเกียดค้านไม่กระตือรือร้นอะไรทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นและการยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่คณะนี่เป็นเห็นความหลงความโง่หมดเลยนะชอบไปนั่งคลุกคลีเล่นหัวไม่ได้มีประเทิงปัญญาใดๆเลย ไปเล่นกันมั่วสมเนี่ยสรุปก็คือชอบเล่นเกมอ่ะ <c oughs> มัวเมากันเล่นเกมเนี่ยนี่เป็นเห็นความโง่เลยนเลี๋ยเนี่้นะแล้วอย่างนีงก็คืออะไรความเป็นผู้มักหลับไป <c oughs> <c oughs> อยู่ที่ไหนก็นหลับซึมเนี่ยเป็นบ่อยไหมอันนี้ไม่เหตุเ็นความงโง่เนี่ยไม่ฉลาดปัญญาบารมียังไม่เกิด <c oughs> แล้วก็ เวลาทำอะไรนะเป็นผู้ที่ทำแบบขอไปทีไม่ตั้งจิตแน่วแน่อะไเป็นนะจิตไม่ตั้งมั่นเวลานั่งเรียนก็ไม่ตั้งมั่นเวลาไปทำอะไรก็ทำไม่ตั้งมั่นอะไรเลยไมาแล้วนี่เห็นของความโง่นะและข้อที่สำคัญที่สุดก็คือความไม่สนใจในธรรมะอันเป็นบ่อกเกิดแห่งปัญญา ไม่สนใจธรรมะที่จะเป็นเหตุถึงปัญญาทั้งหลายไม่สนใจเช่นไอ้ตัวโยน่สโสมนสการความเป็นผู้ฉลาดคิดไม่เอาความตั้งใจฟังเลยฝึกในการที่จะฝึกไอ้ค้นคนวา้าจะได้มีสุดตะามีข้อมูลเยอะๆไม่เอาทั้งนั้นอะไรที่จะทำเป็นอุปกรณ์ของปัญญาไม่เอาไม่สนใจทั้งนั้นอย่างเงี้ยปัญญาจะไม่เกิดแล้วก็การถือตัวคาว่าถือตัวนี่พวกมีมานะจัด ถือตัวคือไม่สอบถามเนี่ยธรรมะที่ตนยังไม่เข้าใจไม่ถามแล้วไม่อยากถามถือตัวคือความเป็นผู้จะไปถามเขาก็เ อ, อ้ยแมวไมไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่อยากถามทั้งนั้นนะเป็นแม่โรคโรคแบบเนี้ยถือตัวจัดไม่อยากถามกลัวเสียหน้ากลัวเสียชื่อเฮ้ยคนอย่างเราไปถามใครไม่ได้เนี่ยต้องต้องตัดความรู้สึกนี้ทิ้งไปใครที่จะมีความรู้จะเป็นคนชั้นต่ําชั้นกลางชั้นสูงจะเป็นคนจนคนรวย จะเป็นสมณะเป็นคารวาสทั้งหลายถ้ารู้ว่าเขามีความรู้เข้าไปสอบถามเลยนะอย่าถือตัวถ้าไปถือตัวเนี่ยจะปเป็นเหตุแห่โมหะเกิดขึ้นแล้วก็การไม่บริหารร่างกายให้ดีเห็นไหมร่างกายอ่อนเช่นไม่ดูแลร่างกายให้ดีเนี่ยพวกนี้จะปัญญาจะไม่เกิดโหสําคัญนะท่านทำไมต้องออกกําลังกายต้องฝึกร่างกายให้แข็งแรง ทำร่างกายแข็งแรงทุกวันจะต้องมีการทำร่างกายแข็งแรงตลอดบริหารร่างกายยืนให้เหมาะสมนั่งให้เหมาะสมเดินให้เหมาะสมนอนให้เหมาะสมถ้าทำอย่างนี้แล้วจะฉลาดเนีจิตจิตไม่ตั้งมั่นเป็นคนฟุ้งซ่านตลอดเนี่ยปัญญาจะไม่เกิดอ่ะเป็นไหมที่นั่นบอมจิตบริหารร่างกายดีไหมไม่ดีนะเนี่ยอันนี้บอกนี่ปัญญาจะไม่เกิดจิตตั้งมั่นหรือฟุ้งซ่าน ตังมัหรือพงศ์สันนะอันนี้ต้องแก้นะต้องจิตไม่ตั้งมั่นนี่เป็นบ่อกิดคบคนที่ปัญญาสามชอบคบคนโง่อ่าลองไป้องเกตด้วยนะเพื่อนเราเป็นคนฉลาดหรือไม่ฉลาดดูตรงนั้นอนะ่ะชอบคบคบคนฉลาดหรือชอบคบคบคนโง่คบคนและไม่ยอมเข้าไปคบกับบุคคลผู้มีปัญญาไม่ยอมเลยเห็นคนที่เขาเกรียนเก่งกว่าเดินหนีเลยอะ่ะ คนที่มีปัญญาคนที่ฉลาดทั้งหลายถ้าเนี่ยถ้าไปหนีคนมีปัญญาแล้วจบเลยเนนี้ปัญญาจะไม่เกิดดูมินตนเข้าใจคานี้ไหมเราเรียนไม่ได้แล้วชอบดูมิ่นตัวเองอ่ะป๊ไม่ได้แไม่ชอบเราเรียนไม่ไห ว, วเพราะงั้นี่ยนี่ดูมินตัวเองใครควรผิดใครควรผิด ก็คือใส่ใจผิดคิดผิดตลอดว่าไงแต่คิดไปอีกมุมนึงตลอดยกตัวอย่างเช่นว่าเห็นก็เรียนกันโอเรียนทําไมไล่สาระะเรียนทําไมไล่สาระนีไ่ไง <laughs> เห็นก็บวชเฮ้ยบวชทําไมไล่สาระ <laughs> เห็นก็ฟังธรรมก็ฟังทําไมไล่สาระอย่ <laughs> นี้เป็นต้นเนี่นะเหนื่อยไข้ควรผิด <laughs> ยึดถือวิปปิล มั่นในกายมากก็คือติดกายมากเลยโอ้ยวันๆก็หมกมุ่นเลยสวยชอบนิดวนๆอยู่กับกายนั่นแหละไม่มีความสังเวชค่ะไม่ไม่มีไม่สังเวชคําว่าไม่มีความสังเวชใจก็คือว่าไม่อาจฐานไม่สะดุง้งสะเทือนไม่ปลุกเร้าตัวเองให้ตื่นขึ้นมา เข้าใจไหมคนที่ไม่มีสังเวคะเนี่ยก็คือไม่ปลุกเราตัวเองให้ตื่นขึ้นมาไม่เห็นภัยของความโง่ไม่เห็นภัยของความไม่รู้ไม่เห็นภัยของความรู้น้อยไม่เห็นโทษของมันเนะี่ยมันไม่สะเทือนใจใดๆหรอกะว่างั้นเถอะก็อยู่กันอย่างเงี้เพลินๆไปวันๆอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไม่สังเวคะเออเราก็มีกินเราก็มีใช้เราก็มีเงินมีทองเราก็มีคนดูแลอู้มันสบายหมดแล้ว แล้วก็ไม่รู้จะเป็นกระตือรือร้อนไปทาไมมองเห็นยังไง เ, เอ๊ะไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มองเห็นภัยที่มันจะเกิดข้างหน้าเราไม่รู้เลยที่นั่งนๆ่งน่งวนวรวมรวมกันอยู่เนี่ยไอคนที่เราเพึ่งพึ่งเหมือนที่เราคนกอาศัยมันตายมาเมื่อไรก็ได้ใช่ไหมหล่ะเกิดแผ่นดินไหวเมื่อไรก็ได้เกิดน้ําท่วมเมื่อไรก็ได้ไฟไหม้ก็ได้วิบัติก็ได้แล้วเราอะถ้าไม่มีข้อมูลความรู้อะถ้าไม่สามารถสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วเราจะอยู่ยังไง เนี่ยไม่เคยสังเวชะตอนนี้เกิดขึ้นเลยมองเห็นอย่างเออมาอยู่อย่างนี้กนนะททนะไ็ไม่กระตือรือร้นนะแทนที่จะขนขวายนะก็ร้องเนี่ยนัเข้านัเข้าไม่ขนขวายไม่กระตือรือร้นใดๆหรอกแทนที่จะอ่านแทนที่จะค้นคว้าแทนที่จะฝุดฝนพัฒนาแทนที่จะสวดมนต์แทนที่จะเจริญสมาธิไม่รั้เนี่ยไม่ไม่สังเวชเข้าใจอย่าไม่สังเวชะถูกนิวรณกุ้มรุม ถุงนิวรันกัน้นทําให้ไม่ทําดีเพราะจะทําดีขึ้นมาเอาแล้วการมาฉันท่าความติดใจใยกสันมหิวบางทีจะทําดีขึ้นมาหูหุดหงิดพยาบาทไหมกัเพราะจะทําดีขึ้นมาหดหู่ท้อทอนเยเนีย่ยง่วงเหงาเหงานอนซึมเซ็งเบือ่อให้ความเซ็งความเบือ่อมันครอบค <laughs> รองพะจะทําดีขึ้นมาปุบ๊บฟุ้งซ่านไรเงี้ยฟุ้งหนุ่นฟุ้งนี่พราะจะทําดีขึ้นมาลังเลสงสัยทําไปทำไม เดี๋ยวก็ศึกแล้วเดี๋ยวก็ศึกแล้วนี่อย่างเงี้ยขยายยังเนี่ยยังไม่ฉลาดพวกเนี้ยอันเนี้ยเนี่ยปัญญาไม่เกิดถ้าเป็นลักษณะที่เรามาทั้งนี้นะปัญญาจะไม่เกิดและปัญญาที่เกิดแล้วก็จะเสื่อมเนี่ยเหตุทําให้ปัญญาเสื่อมเลยนะมีปัญญาอยู่แล้วก็เสื่อมไอ้ที่ไม่เกิดก็ยิ่ไม่เกิดเลยในชะ่ไหมโหจำได้ไหม มันจะเสื่อมเลยปัญญาคือความรู้ความเข้าใจทั้งหลายถ้าเราทําแบบนี้เบ็ดเสร็จนจะเสื่อมหมดแหละเนี่ยบาป ท, ทั้งหลายหรือการคิดแบบนี้การกระทำลักษณะนี้ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นเหตุให้ปัญญาเสื่อมสมมติมีปัญญาอยู่แล้วเท่านี้นะหมดหม ด, หม ด, ห, มดหมดไปเลยและที่ปัญญาจะเกิดก็ไม่เกิดไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมาได้เลยก็กลายเป็นโมหะความมืดบอดความหลงความโง่นะีความงมงายความไม่ฉลาดก็มหมุนอยู่อย่างนั้นแหละ สรุปแล้วก็คือพระบริษัทหรือคนที่จะเจริญปัญญาทั้งหลายเหล่านี้เขาก็เว้นเหตุแห่งความหลงเหล่าเนี้ยแล้วก็ทําความเพียรในพระหุสัจจะนะพระหุสัจจะก็คือเป็นผู้ฟังมากเป็นผู้ฟังมากเป็นผู้เรียนมากเป็นผู้ไฝรู้ไฝเรียนไฝศึกษาใฝ่สร้างสารรค์ไฝ่ฝึกฝนไฝ่พัฒนาโอ้โหฟังเลยพร ะ, พระหูพระหูสูตรทุกอยฟังมากไม่ใช่ว่า ฟังฟังแล้วฟังแล้วมาจําไว้นะหมายไอ้มาร์คมารความจําไว้มาก์คมาร์าไว้แล้วก็เอามาคิดเอามาใครควรพิจารณาอากลางเรื่องอะไรถึงจะสามารถทําความไว้ไดหนึ่งฟังเรื่องความเป็นไปของชีวิตรู้เลยประดาของชีวิตที่เรียกว่าขันห้าเนี่ยโหศึกษาแล้วโอศึกษาเกี่ยวกับรูปธรรมเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเลยผมคนเล็บฟันนังเนื้อเอ็นกระดูกเกี่ยวนกระดูกไตหัวใจตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยหันใหม่หันเก่ามั น, น, นสมองโอ้ศึกษาศึกษารูปธรรม ครันะครับศึกษาเป็นกลุ่มนามมาทำด้วยนะไอ้ความคิดนะเนี่ยเฮ้ยมีความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างเฉยๆบ้างเออนี่กลุ่มเวทนาเออไปศึกษาเรื่องความจําเลยนะจำในสีเสียงกินรสผลิภัณฑ์นี่กลุ่มสัญญาแล้วไปศึกษาในเรื่องของจิตที่คิดดีและไม่ดีทั้งหลายเหล่านี้คิดชั่วคิดดีทั้งหลายเหล่านี้ความฉลาดความโง่ทั้งหลายเหล่านี้ความโลภความไม่โลภความโกรธความไม่โกรธทั้งหลายนี่ศึกษาพวกนี้เรื่องสังขารแล้วไปศึกษาเรื่องจักรคู่วิญญาณโซตาวิญญาๆย อ้จะศึกษากระบวนการของชีวิตอย่างเงี้ยนื่อจากรู้เรื่องพวกนี้อยากรู้รายละเอียดตรงนี้แล้วไม่ใช่แค่นั้นไปศึกษาต่อว่าเออเมื่อมีกระแสชีวิตอย่างเงี้ยกระแสของตาหูจมูกลิ้นกายใจเออนี่เขเรยอายตนะใช่ไหมตาแล้วมันไปเชื่อมต่อกับลายตาเนี่ยโอไปเชื่อมต่อกับสีโอ้เนี่อายตนะภายในกับอายัตนะภายนอกไปเชื่อมกันเออนี่ศึกษากระบวนการของชีวิตแล้วโอเป็นอย่างนี้เองมันเชื่อมกันได้เนี่ยมันสื่อกับโลกภายนอกได้ตากับสื่อกับสี หูกับสื่อกับเสียงใช่ไหมสัมผัสกับเสียงเนี่ยเชื่อมกับเสือเสียงจมูกก็เชื่อมกับกลิ่นลิ้นก็เชื่อมกับรสกายก็เชื่อมกันสัมผัสเย็นร้อใจก็เชื่อมคิดนึกกับอดีตอนาคตปัจจุบันบ้างโอ้โหอยากศึกษาเรื่องเนี้ยมันเชื่อมโยงกันยังไงนี่เขาเรียกอายตนะนี่แไอ้แดนเกิดเนี่ยศึกษาแดนเกิดนี่ถ้ารู้กระบวนการของชีวิตอย่างนี้ชีวิตคืออะไรมันจะรู้เลยรตัวนี้ยใช่ไหม ชีวิตคืออะไรโอ้นี่ชีวิตมันคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่แหละชีวิตก็คือรูปขันเวทนาสัญญาสังขารมียานี่แหละชีวิตก็คือรูปกับนามกายกับใจเนี่ยนี่กระบวนการของชีวิตและชีวิตมันสืบต่อกันยังไงก็ดูอายทะนาภายในภายนอกใช่ไหมมันสืบต่อกันยังไงมันเชื่อมโยงกันยังไงเนี่เรียกการศึกษากระบวนการของชีวิตเป็นอย่างนี้แหละแล้วหนะกข้าวหนักข้าพอไปศึกษาเรื่องนี้เปสร็จก็ศึกษาเรื่องความจริงของชีวิตเลยอ๋อทุกข์หรือปัญหาเป็นอย่างนี้เหตุของปัญหาเป็นอย่างนี้ ความดับปัญหาเป็นอย่างนี้วิธีการหลักการที่จะเข้าปฏิบัติข้อปฏิบัติให้เข้าถึงการดับปัญหาเป็นอย่างนี้โอ้พอศึกษาชีวิตเสร็จก็ศึกษาเจาะลงไปในสัจจะความจริงในระยสัตว์เลยนี่เป็นต้นเนี่ยถ้าทำอย่างนี้ปัญญาจะเกิดไหมเนี่ยเกิดไม่เกิดไหมโอ้โหอยากจะศึกษาอยากจะวิจัยแยกแยะถึงเนี้ยก็เหมือนนั่งๆ่งอยู่ใช่ไหมออตอนเนี้ยเรามานั่งฟังเนี่ยเราใช้อุปกรณ์ตรงไหนในการศึกษา ใช่หูหูตาใช่ไหมแล้วก็ลงสู่ไหนลงสู่ใจใช้สามทางใช่ใช้จมูกศึกษาได้ไหมตอนนี้ได้ไหมแล้วก็ลิ้มรสไปด้วยเปล่าลิ้มลิ้มรสน้ําลายตัวเองไปด้วยเปล่า <c oughs> ใช่ไหมเนี่ยแต่ไออุปกรณ์การศึกษาค้อนกลางแกไม่คนแต่ไอตากับหูนี่หใช้มากนีเกิดใช่ไหมลงสู่ใจ ตัวิจัยวิแยกระยะพิจารณ์อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ลักษณะอย่างนี้ก็คือศึกษาในเรื่องประเภทของกุศลอกุศลเป็นต้นแล้วก็ทางโลกทั้งหลายเนี่ยนั้นอันเป็นเหตุให้เกิดสุตตามายะปัญญาความามิพุฉลาดในอยวุฒิเบื้องต้นอย่างเนี้ยสติเอวยิวริยาเอวยในการเรียนตั้งใจปรางการทรงจาําการสะสมการสอบถามเนี่ยแล้วก็สา ม, มารถ ทำความเข้าใจวิจัยแยกแยะในสิ่งต่างๆเหล่านั้นไดน้อันนี้เขาเรียกว่าปัญญามันเริ่มเกิดเลยในปัญญาสั่งสมข้อมูลเอามาวิจัยเอามาคิดแล้วนักเข้าก็ลงมือทําเลยปัญญาเนี่ยสามารถทําให้สัตว์ทั้งหลายรู้ถึงจุดหมายได้ในสิ่งที่ควรทํานี่ยปัญญาก็เลยบอกว่าเอาลนะมาในปัจจุบันับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราจะต้องฝึกปัญญาให้เกิดขึ้นใได้เพราะปัญญาเป็นคําตอบปัญญาเป็นสิ่งเป็นสูงสุดใช่ไหม บอกว่าเป็นยอดแห่งธรรมทั้งหลายด้วยธรรมทั้งหลายมีปัญญาเป็นยอดมีปัญญาสูงสุดฉะนั้นมนุษย์อย่าประสบความสําเร็จได้ก็คือปัญญานี่แหละแล้วผลของปัญญาคืออะไรครับผลของปัญญาผลของปัญญาใช่ไหมมีปัญญาแล้วจะได้อะไรใช่ไหยก็ได้เข้าถึงความจริงได้รู้ความจริงก็ไม่โดนหลอก พอปัญญาเนี่ยสามารถรู้โลกและชีวิตตามตามที่มันเป็นตามความเป็นจริงถ้าหากปัญญาไม่เกิดนะมันจะไปติดเรื่องเยอะหมดเลยเหมือนคนบางคนติดสมมติเนี่ยใช่ไหมไปติดสมมุติแล้วก็ไปวิปลาดไม่สามารถจะเจาะเข้าหาความจริงเป็นต้นนะฉะนั้นถ้ามีปัญญาเสร็จแล้วเนี่ยความเป็นผููฉลาดนะในอุบายความเสื่อมแลนะความเจริญได้ปัญญาสามารถจะวิจัยแยกแยๆตรง น, นี้ได้นะอย่างนี้เป็นต้น สำคัญไหมปัญญาสาคัญไหมดงนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องคิดที่นี้วิธีการที่จะทําให้เกิดปัญญานี่แหละวิธีการที่จะให้เกิดปัญญานี่แหละหลักการคิดนี่แหละที่เขาเรียกว่าอะไรเนาะเป็นเหตุใกล้ของปัญญาตรงนี้ก็พูดถึงเรื่องโยนิโสมนสิการไอ้ตัวโยนิโสมนัสิการเนี่ยทีนี่ถ้าเรามองถึงการดําเนินชีวิตในความหมายการรับรู้เนี่ยแบ่งออกสองอย่างนะด้านการรับรู้เช่น เห็นได้ยินได้กลิ่นเป็นต้นเหล่านี้เห็นไหมมันก็ได้รับรู้ใช่ไหมตาเนี่เป็นอุปกรณ์การรับรู้ได้ไหมหูก็เป็นอุปกรณ์การรับรู้ได้แล้วก็จมูกก็เป็นการอุปกรณ์การรับรู้ลิ้นก็เป็นอุปกรณ์การรับรู้กายก็เป็นอุปกรณ์การรู้ใจก็เป็นอุปกรณ์กรรการรับรู้ได้นี่ด้านความรู้กับอีกด้านหนึ่งก็คือด้านเสพด้านเสพพอดูปุ๊บมันชอบไม่ชอบเนี่ยมันเสพแล้วนะฟังปุ๊บชอบไม่ชอบ ดมก็ชอบไม่ชอบกินก็ชอบไม่ชอบเนี่ยสัมผัสทางกายก็ชอบไม่ชอบแล้วก็คิดนึกทางใจก็ชอบไม่ชอบมีสองด้านนะเนี่ยอุปกรณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคือด้านการรับรู้ ก, กับด้านเสพโดยมากเราใช้ด้านไหนมากที่สุดระบาดเสพกับรับรู้เสพจริ ง, รงๆเสียหายเลยนะบุงเกอร์เวลาจะดูโทรทัศน์เราดูเพื่อเสพหรือดูเพื่อ ศึกษาแล้วแต่โดยส่วนใหญ่เสพหรือศึกษาเสพเห็นไหมเนี่ยไอ้กรณีแบบเนี้ยอย่างนี้แย่เลยไม่ไม่ไม่พัฒนาปัญญาได้แค่เสพทีนี้ถ้ามองในลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าถ้าหากสภาพที่เราจะไ่เกี่ยวข้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยรู้จักกิน กินเป็นใช้เป็นบริเพจบริภคเป็นเซวนาเป็นครบคนเป็นทํางโอ้ยไม่ใช่อันนี้อันนี้ยากเลยนะใช่ไหมกินเป็นใช้เป็นบริภพภคเป็นเสวนาเป็นนั้นการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องมันจะต้องหนึ่งในแง่ของการร่วงพ้นปัญหาต้องแก้ปัญหาเป็นถ้าแก้ปัญหาเป็นนี่แปลว่าใช้ปัญญาเป็นหรือยัง เริ่มแล้วใช้เป็นญาเพีนแก้ปัญหาเป็นงสองในแง่ของการทํากรรมก็คือคิดเป็นพูดเป็นสื่อสารเป็นและทําเป็นนี่ทํากรรมนะจำไหมมันเป็นกายกรรมเนี่ยคิดเป็นในด้านจิตใจนะถ้าคิดเป็นเนี่ยคิดถูกเนี่ยเป็นกุศลถ้าคิดไม่เป็นเป็นบาปเอายังไม่คิดไปหาคนอื่นปุ๊บเราไปโกรธนี่คิดเป็นไหมคิดแล้วโกรธเขาเกลียดเขา คิดประทุสร้ายเขาอันนี้เป็นคิดเป็นหรือไม่เป็นอันนี้ก็คิดไม่เป็นมันคิดมันเป็นบาปมันเป็นทุติยภชีวิตจิตใจตนเองด้วยแล้วคิดประทุสร้ายคนอื่นด้วยเนี่ยก็คิดไม่เป็นพูดไม่เป็นพูดก็คือไปด่าเขาาเงี้ยไปเบียดเบียนเขาใช้วาจาไปกระทบกระทั่งเขานี่เรพูดไม่เป็นเห็นไหมถ้าพูดเป็นก็คือพูดดีพูดที่เป็นกุศลเป็นต้นอะไรนี้สื่อสารเป็น เกี่ยวข้องกับสื่อสารไม่เป็นก็เสียหายเลยตลอดถึงทําเป็นทําเป็นทางกายแล้วในแง่ของการรับรู้ก็คือดูเป็นฟังเป็นดมเป็นลิ้มเป็นสัมผัสเป็นสัมผัสเป็นเราคิดเป็นรับรู้เนียถ้าด้านเสพเนี่ยมันจะดูไม่เป็นดูเป็นกับดูได้ก็อะยังงฟังเป็นกับฟังได้ใช่ไหมดมเป็นกับดมได้ต่างกันไหมกินเป็นกับกินได้ สัมผัสเป็นกับสัมผัสได้คิดเป็นกับคิดได้แล้วดูดูได้มันดูได้หมดหละดูแล้วมันเสพชอบไม่ชอบแล้วก็มัวเมาลุ่มหลงไปแต่ถ้าว่าดูเป็นปุ๊บโอ้โหทีนี้มาเลยเออดูแล้วมันจะได้ปัญญามันจะได้ความเพียรมันจะได้ความเชื่อมั่นมันจะได้มาวิจัยแยกแยะโอ้โหมันดูเป็นเนี่ยมันได้เยอะเลยเห็นไหม การศึกษาที่เราไปเรีย น, นไปอะไรต่างๆก็จเอาตาเนี่แหละไปเรียนอาตาเนี่ยไปดูหูเนี่ยไปฟังใช่ไหมมันจะดูเป็นไหมฟังเป็นไหมมันจะคิดเป็นไห ม, มจะกินเป็นไหมดมเป็นอุปกรณ์การศึกษามันอยู่ตรงนี้เองมันอยู่กระตาหูจมูกเลี้ยงใจใจนี่เองมันอยู่นอกตัวที่ไหนแล้วใช่ไหมก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวสื่อข่าโลกภายนอกมองเห็นหรือยังตัวเนี้ยถ้าจะทําให้ปัญญามันเกิดมันได้แค่นี้ไม่ใช่ไปแล้วก็เป็นมึนๆงงๆเซ่อๆออไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยล่ะ ไปเขาให้ทําอะไรก็ทําเสพก็เขาไปสนุกสนานไปถ้าไม่สนุกไม่เอาสังเกตดูไหมเดี๋ยวนี้จะเป็นงั้นแหละการเรียนเนี่ย <S <S 1> <S 1> <ๆ>การไปเล่นกีฬาการไปทําอะไรก็แล้วแต่เอาที่เราชอบแค่นั้นเองแล้วมนุษย์เนี่ยถามว่าถ้าเอาแค่ชอบอย่างนั้นมนุษย์ไม่ฝึกเลยตายเลยแย่เลยเหมือนสุนัขนะเอาอาหารไปให้มันกินขอขอโทษนะเอาอุจระกอง ก็เอาอาหารที่มันมันหรูหรูมีวิตามินดีๆไปวางทามันจะไปอะไรเนี่ยฮะนี่เห็นไหมมันเอาอะไรเอาชอบมันเอาชอบมันไม่ได้เอามันไม่ไม่มันก็ไปหาอุจจาระนั่นแหละเพราะมันชอบแต่มันไม่เคยไปวิจัยแยกแยะว่าไอ้ตัวนี้มันมีวิตามินหรือมันเหมาะสมกับร่างกายหรือไเห็นไหมเออมันเป็นอย่างนี้ การว่ากินเป็นกินได้เนี่ยเราเราต่างอะไรจากมันบางทีอาหารเนี่ยไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับร่างกายเออเพียงชอบเทานั้นเองอะ่ะใช่ไหมเออมนุษย์มันเป็นอย่างนี้นะมันไม่เคยฝึกฝนพัฒนาปัญญาหรอกเนี่ยกลับไปหนูกลับไปนะแชมป์เนกลับไปที่โรงเรียนก็นไปสังเกตเพื่อนว่าเออเนี่ยเพื่อนเนี่ยเขาเขาอย่างดูเนี่ยเขาดูได้กับดูเป็นเขาฟังได้กับฟังเป็นลองดูที ว่าเขาเสพหรือเขาศึกษานะไปดูเพื่อนเพื่อนทั้งหมดว่าเออกระบวนการเรียนรู้ทั้งหลายแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนที่เขาไปเกี่ยวข้องเนี่ยเขาเสพหรือศึกษาให้ดูแค่นี้ยแล้วเราจะได้เห็นความต่างกันของมนุษย์เขาเรียกเริ่มมองมนุษย์ออกเริ่มวิจัยคนเป็นแล้วเกี่ยวข้องกับคนนี้เราก็จะเริ่มรู้แนละ้วว่าไอ้เจ้านี้มันเสพหรือมันศึกษาใช่ไหมถ้าดูเนี่ย ดูได้นั่นก็โดยมากก็ชอบไม่ชอบอะไรที่ชอบก็ไปดูอยู่นั่นบางที่ไม่เป็นประโยชน์อะไรกับการศึกษาอะไรเลยแต่ชอบเช่นไปดูยิ้งหรีดกัดกันสมมวนหนั้นบางคนชอบนะดูจิงหรีดกัดกันโอ้โหดูดูมัวเมาบางคนน่ยไปดูปลากัดกันโอโ้ดูปลากัดอู้ชอบชอบดูอยู่แค่นั้นนะแล้วก็ไปดูเอออะไรไปดูคนชอบ ก, กันเนี่ยไปแค่นีน้ไปดูเขาแข่งรถโอ้โหชอบ ดูแค่นี้เห็นไหมเปรศษแต่ดูศึกษาคนละอย่างนะไปดูออไอ้ี่ความสามารถเออมันทำยังไงนี่มันฝึกยังไงมันใช้เวลาฝึกขนาดไหนเนี่ยมันก็จะได้เห็นความต่างหมออย่างเดีนี้งั้นการปฏิบัติในแง่ด้านต่างๆที่เป็นส่วนย่อยของการดำเนินชีวิตก็คือว่าการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องหรือการรู้จักดาเนินชีวิตเนี่ย ก็ต้องดําเนินชีวิตให้เป็นไปตามในทางที่ถูกต้องก็คือรู้จักคิดก็คิดเป็นนี่แหละรู้จักทําก็ทําเป็นรู้จักดูก็ดูเป็นรู้จักฟังก็ฟังเป็นนะรู้จักกินกลายเป็นกินเป็นเออมันก็รู้จักเนี่ยรู้จักวิจัยพิจารณาแยกแยะว่ามันจะเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ยังไงมันเป็นคุณเป็นโทษต่อชีวิตจิตใจยังไงเป็นต้นอันนี้ก็เข้าไปแยกแยะ ถ้ากรณีอย่างนี้ก็แปลว่าเริ่มฝึกที่จะใช้โยนิโสเพื่อเป็นอุปกรณ์การเจริญปัญญาเพราะปัญญาในสูงสุดใช่ไหมมันยังต้องมีเรื่องอะไรที่ต้องศึกษาเยอะไหมเนี่ยเยอะหรือไม่เยอะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเนี่ยต้องศึกษาหรือล่าไปใช่ไหมต้องศึกษาอยู่ล่าาลําไปเลยถ้าเราฉลาดหน่อยเนี่ยเราก็จะได้กระบวนการศึกษาวิจัยแยกแยกๆอีกเยอะเลยเนี่ย ถ้าคิดถูกต้องรู้จักคิดคิดเป็นเนี่ยนี่เป็นศูนย์กลางเยบริหารดําเนินชีวิตที่ถูกต้องเลยนะเนี่ยเป็นหัวหน้าที่นำนำทางและควบคุมการปฏิบัติถูกต้องในแะง่อื่นทั้งหมดนั้นะทั้งหมดก็คืออยู่กระบวนการคิดอย่างเนี้ยคิดนี่เป็นใหญ่เรื่องใจนี่สาคัญมากเลยนะฉะนั้นก็คือต้องคิดการคิดที่ถูกต้องรู้จักคิดคิดเป็นเนี่ยสำคัญมากเลยถ้าเรากระบวนการทางด้านจิตใจผิดพลาดผิดพลาดหมดเลยนั้นใจสําคัญไหม ด้านจิตใจเนี่ยต้องฝึกคิดคิดให้เป็นคิดไม่เป็นก็บาเลยอ่ะบางคนเนี่ยคิดไม่เป็นก็ไปติดอยู่นั่นแหละไปเสพติดเนี่ยแล้วไปหลงผิดเข้าใจผิดอยู่อย่างนเง้ยซ้ำซ้ำซ้ำซำอยู่นั่นแหละฉะนั้นตรงนี้สําคัญที่สุดให้รู้จัก<ม>เป็นหรือพอดีดั้นการดําเนินชีวิตเนี่ยนะก็จะต้องมีความเข้าใจให้ถูกต้องมีความเข้าใจใถูกต้อง กระบวนการความคิดที่จะเป็นในลักษนั่งการว่าเออเราจะพัฒนาเกิดปัญญายัางไงคืออย่างนี้เออถ้าถ้าเราจะพิจารณาเมื่อรู้เข้าใจหรือคิดเห็นดีงามถูกต้องตรงการมันเป็นจริงเขาเรียกการคิดการพูดการกระทาการแสดงออกวิธีการปฏิบัติ ต, ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยถ้าหากถูกต้องดีงามมันเกื้อกูล น, นำไปสู่ความดับทุกข์เรก็แก้ปัญหาได้ เน ไ, ไมกระบวนการความคิดต่้งหลายเรื่อเนี่ยในทางตรงกันข้ามนะถ้ารู้เข้าใจคิดผิดมีความคิดที่ผิดมีค่านิยมทัศนคติหรือแนวความคิดที่ผิดที่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิปุ๊บการคิดการพูดการทําการแสดงออกการปฏิบัติการต่างๆมันพลาดหมดเลยมันจะผิดพลาดไปหมดเลยสําคัญเนะาะฉะนั้นกระบวนการความคิดเนี่ยเราต้องคิดให้มันถูก ให้ถูกต้องดีงามนี่การที่จะคิดถูกต้องดีงามทั้งหลายเนี่ยสัพพะก็เรียกว่าโยนิโสคิดถูกทางคิดถูกวิธีคิดถูกอุบายนยีถ้าฉลาดคิดถ้าฉลาดคิดปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยต่อการต่อปัญญาใช่ไหมพอฉลาดคิดปุ๊บนี่มันก็เป็นกระบวนการเห็นการที่ว่าถูกต้องตรงตามความเป็นจริงมันคิดว่าการคิดการพูดการกระทํามันแสดงออกการปฏิบัติการต่างๆมันก็จะดีงามเกื้อกูล แล้ในส่วนจริงมันจะนําไปสู่การดับทุกข์นำไปสู่การแก้ปัญหาได้ในที่สุดนั้นชีวิตของเราเนี่ยสําคัญที่สุดก็คือกระบวนการใส่ความคิดให้ให้ให้ถูกถ้าคิดผิดเมื่ อ, อไหร่ผิดพลาดทันทีเอาเนี้ยแค่เราจะลุกขึ้นเนี่ยถ้าเราบว่าจะคิดผิดนะคิดแบบวิปริตขึ้นมาปุ๊บแทนที่จะจะลุกให้มันดีดี ลุกพวดแบบไม่ดีเลยไมด้วยการที่เราคิดผิดเนี่ยอยากจะลุกก่อนลุกพวดขึ้นมาเลยเนี่ยนอนอยู่ดีๆลุกพวดขึ้นมาเป็นไงเวียนศีรษะไหมเวียนศีรษะทันทีเลยนียดูสิเนี่ยการปฏิบัติทั้งหลายนี้มันจะผิดพลาดไปหมดเลยแต่ถ้าเรามีความคิดที่ละเอียดอ่ อ, อนความคิดที่สุขมุมความคิดที่ละเอียดพิจารณาเหตุพิจารณาผลทาอะไรก็แล้วแต่ไม่บุมบาม พยายามไตร่ตรองไข้ควงแล้วคิดให้เป็นระบบคิดให้เป็นไปตามดักคิดให้เป็นแถวเป็นแนวคิดให้ถูกต้องไม่คิดวกวนไม่คิดสับสนปัญญาจะเกิดแล้วก็คิดเห็นไหมอันดับแรกคือคิดให้ให้เข้าหาความจริงให้ได้คิดให้หาความจริงให้ได้ก่อน2ก็เอาประโยชน์จากความจริงให้ได้เห็ไหมหนึ่คิดให้เข้าถึงความจริงก่อนเฮ้ยมันจริงแค่ไหนเราฟังเรื่องอะไรปุ๊บคิดเจาะเข้าไปเห็นความจริงพอเจาะเข้าไเห็นความจริงปุ๊บ อาประโยชน์จากความจริงนั่นได้ไดก็คือประโยชน์จากความจริงในนี้นก็คือได้ปัญญาอย่างน้อยก็ได้ปัญญาได้ความรู้ได้ความเข้าใจที่ถูกต้องนี่สําคัญที่สุดก็คือกระบวนการความคิดนี่แหละถ้าคิดผิดเนี่ยคาพูดก็ผิดการกระทําก็ผิดการสื่อสารก็ผิดการกระทําใดๆผิดมาหมดเลยเป็นแถวเป็นแนวหมดเลยเข้าใจยังสำคัญไม่สาคัญ น, น, นั้นเรื่องปัญญาบา ร, รมีนี่สําคัญมากเราจะต้องสั่งสมวิจัยแยกแยะ และต้องมันฟังมันสอบถามมันใข้ควรพิจารณาวิจัยแยกแยะอย่าเป็นคนเบื่อหน่ายต่อการฟังอย่าเบื่อหน่ายโดยการเรียนรู้ถ้าเบื่อหน่ายต่อการฟังเบื่อหน่ายต่อการเรียนรู้เบื่อหน่ายต่อการวิจัยแยกแยะเบียดเสร็จก็กลายเป็นคนไม่มีปัญญาก็โง่นั่นเองตรงกันข้ามถ้ามีปัญญาก็โง่โง่คือโมหะถ้าจิตก็เโมโมหะจิตโมโมหะจิตมีสองคำนะโมหะโมหะจิตเนี่ยมันมีมีหลงสองครั้ง ก็จิตที่มีความหลงยกกําลังสองหลงยกกําลังสองเขาจะไหมมีการหลงอย่างยิ่งหลงอย่างเหลือเกินหลงอย่างมากเนี่ยไอโ้โม ม, มหะจิตเนี่ยโมหะโมหะจิตจิตที่หลงมากไปมัวเมาไปหลงอยู่กับไอ้สิ่งที่ไร้สาระอยู่นั่นแหละไม่มีประโยชน์อะไรเลยวันๆเนีนะ่ยหมกมุ่นอยู่นั่นแหละไม่ได้กอ่อเกิดปัญญาใดๆเลยว่ า, างนั้นเถอะนั้นสิ่งตรงนี้เราก็จะต้อง ทำความเข้าใจให้ชัดเนี่ยลักษณะที่ทําให้ปัญญาเกิดขึ้นอ่าแต่นี้ประการต่อมาคือว่า <c oughs> ตัวสัมมาทิ่ฐิตัวปัญญาเขาแยกเป็นสองระดับเออทัศนกติความคิดเห็นแนวคิดทฤษฎีความเชื่อถือค่านิยมเนี่ยความนิยมก็ได้ค่านิยมเลยจำพวกที่เชื่อหรือยอมรับรู้การกระทํา และผลของการกระทําำของตนอันนี้ก็คือสร้างความสํานึกในความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนพูดอย่างชาวบ้านก็จะเห็นชอบตามทํานองความทำพูดสั้นๆอย่างนี้ก็จะกรรมสกตาสมาธิฏิอันนี้เป็นสมาธิฏิระดับโลกยะระดับจริยธรรมโออันนี้ขั้นพื้นฐานอันนี้สมาธิฏิในระดับนี้สําคัญนะขั้นจริยธรรมเนี่ยเช่นขั้นเหตุขั้นผลเมื่อเราทําอย่างไรจะได้อย่างนั้น สําคัญนะยกตัวอย่างเช่นเราเป็นคนไม่ฉลาดไม่เป็นเป็นคนยี่เกียรติเรียนสมมุตินะไม่ชอบเรียนไม่ชอบอ่านพอไม่ชอบเรียนไม่ชอบอ่านไม่ชอบใฝ่รู้ไม่ใฝ่เรียนไม่ใฝ่รู้ไม่ใฝ่สร้างสรรค์ไม่ใฝ่ฝึกผลพัฒนาปบนี่เหตุที่เราทําแบบนี้นะกรรมก็คือเราทําแบบนี้เกียรติจงมีความคิดมีความคิดมีความจงใจทํำงี้ปุ๊บเราจะกลายเป็นคนอะไร กลายเป็นคนมีทัศนกติคับแคบติบตันแล้วก็กลายเป็นคนที่มีความไม่ฉลาดไม่รอบรู้เป็นคนรู้ผิวเผินรู้แบบผิวผิวไม่สามารถเจาะเข้าไปถึงความจริงอะไรได้รู้อะไรแบบรู้แบบลวกๆวกรู้แบบพอไปทีไม่รู้อะไรให้ถูกต้องตามขั้นตอนตามแนวทางว่าเหตุผลเนี่ยเข้าใจยังมันจะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ลักษณะขั้นพื้นฐานไม่ได้ แต่ถ้าหากว่าเริ่มขั้นพื้นฐานปุ๊บทัศนคติความคิดเห็นทฤษฎีความเชื่อค่านิยมที่ที่บอกมาเนี่ยที่เรียกว่า เ, ออเชื่อยอมรับรู้การกระทําและผลการกระทำของตนถ้าตนเองทําอย่างไรมันจะต้องได้อย่างนั้นเนี่ยถ้าฝึกเป็นคนนั่งแบบนี้ต้องยอมรับความจริงนะต่อไปจะเป็นคนที่มีคุณภาพชีวิตไม่ดีหลังจะงอหลังกายจะไม่ตั้งตรงอันนี้ต้องเป็นแน่นอน ต้องยอมรับความจริงว่าเมื่อสร้างเหตุอย่างไงจะต้องได้อย่างนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นคนอย่างนี้หลังก็ค่อมอต่อไปแล้วก็จะเคยเป็นบุคลิกภาพเป็นเป็นเป็นนิสัยที่ทเสียไปเลยเนี่ยนะก็กลายเป็นยึดติดเปน็นเงี้ยนี่มันเรื่องกรรมและเรื่องผลของกรรมใช่หมหนึ่งมันมาจากตรงไหนก่อน1ความคิดทัศนคติความคิดเห็นเศรษคติของเราเนี่ยความคิดของเราเนี่ยถ้าเป็นความคิดที่ดีใช่ไหมเป็นสภาพจิตที่ไม่มีโทษไม่มีโรคไม่มีของเสีย เป็นจิตที่สะอาดเย็อ่องผ่องแผ้วไม่มีมวลทิน้นเป็นจิตที่เป็นไปกับความแข็งแรงตั้งมั่นเป็นจิตที่เป็นไปกับความสุขจิตที่เป็นไปความชานฉลาดถ้ามันเกิดขึ้นนะนี่มันก็จะส่งผลมาที่บุคลิกภาพในการนั่งโอ้โหมันจะนั่งอย่างเรียบร้อยแล้วแต่นี้มันจะนั่งแบบลักษณะที่ว่าเป็นคนที่สภาพจิตใจดีมันก็จะตกแต่งให้พฤติกรรมบุคลิกภาพออกมาดีใช่ไหมเราต้องยอมรับในเหตุกับผลอย่างเงี้ยและในทางตรงกันข้ามถ้าเราเป็นคนหงดหงิด เป็นคนเกียจค้านเป็นคนหดหู่ท้อถอยเบื่อหน่ายเซ็งซึมมันก็จะกลายเป็นคนอีกคนหนึ่งนั่งอย่างเงี้ยเนี่ยจะเป็นลักษณะเออเนี่ยเนี่ยลักษณะที่เซ็งเบื่ออันนี้เขาเรียกว่าแล้วบุคลิกภาพมันก็จะออกมาแบบเนี้ยต้องเข้าใจนี่เรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องจริยธรรมก็หมายความว่ า, ม, ามันจะออกมาอย่างเงี้ยจะออกมาตามบุคลิกภาพนี่เขาเรียกระดับกรรมสกทาสมาธิ เป็นสัมมาทิฏฐิระดับโลกียะเป็นขั้นจริยธรรมพอมองเห็น อ, อย่างตรงนีนนน้นั้นคิดดีไม่ดีเข้าใจถูกต้องหรือไม่ถูกต้องทั้งหลายเนี่ยผู้กระทาต้องรับผลการจะทําไม่ใช่คนอื่นทำํำนั้นใครทําก็ต้องได้รับผลอย่างนั้นถ้าเราเป็นคนใส่ใยเรียนไยรู้ใยศึกษาใยสร้างสรรค์ใยฝึกฝนพัฒนาปุ๊บแล้วนากเข้าความฉลาดก็ตามมาเมื่อฉลาดตามมาแล้วก็เป็นคนที่มีคุณค่าเป็นคนที่ มองโลกและชีวิตเริ่มเข้าใจตามเหตุและผลตามความเป็นจริงได้นี่มันจะมันจะตรงกันข้ามอันนี้เราก็จะเป็นอะไรก็เลือกเราไม่มีใครมาดนบันดาลเราได้แต่เจตนาความจงใจของเราเป็นผู้กระทําให้เราเป็นออกมาอย่างนั้นจริงๆอาการที่2ทัศนคติแนวความคิดที่มองเห็นความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายตามธรรมดางเหตุปัจจัยนี่เป็นการรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามสภาวะของมันเลยนะเทาแบบนี้ ตามที่มันเป็นไม่เอ็นเอียงไปตามความชอบหรือความชังของตนหรือตามที่อยากให้มันเป็นหรือไม่อยากให้มันเป็นนะไอ้นี่ความรู้ความเข้าใจที่สอดคล้องกับความจริงธรรมดาอย่างนี้เขาเรียกสัจจานุโลมิกยา น, นี่เป็นสมาธทิฏฐิตามแนวของโลกุตละนี่เป็นขั้นสัจธรรมขั้นสัจธรรมโอเนี่ยไม่อยู่กับชอบหรือไม่ชอบมองสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นเลยไอันนี้ไม่เกี่ยวกับว่าเราจะชอบหรื อ, มอไอม่ <S <S มชอบชอบใจหรือไม่ชอบใจนี่ไ <ate> ม่เกี่ยวไม่เกี่ยว ตรงนี้ไม่เกี่ยวแล้วมองเห็นยังเตือนนี่ขั้นสัตธ์จะทำแล้วอ่าเดี๋ยวเข้าถึงปัญญาตรงนี้อีกนิดหนึ่งจะยังไม่จบโดยเรืเ่อ เ, เยอะปัญญาเนี่ยสามารถทำให้สัตว์ทั้งหลายบรรลุถึงจุดหมายในสิ่งที่ควรทำเป็นไปตามแก่ปัญญาก็อาศัยความเป็นผู้สแสวงหาประโยชน์ ก็ช่วยสอนบุคคลอื่นแนะนำคนอื่นได้ด้วยถ้ามีปัญญาเนี่ยนะเออในระดับของปัญญาที่เป็นไปในลักษณะของที่เป็นด้านของสัจธรรมที่พูดเมื่อสักครูนะ่ถ้าเรศญาณุโลมิกระยาเป็นปัญญาที่มองสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุและปัจจัยมองเห็นความจริงของชีวิตสามารถเจาะเข้าถึงกระแสของชีวิตได้รู้ทั้งเฉพาะตัวได้ ไปรู้เจาะรายละเอียดเฉพาะตัวเขาได้ด้วยแล้วก็มองในภาคว่าเขาไม่เที่ยงยังไงเปลี่ยนแปลงยังไงเป็นทุกยังไงเป็นต้นนี่สามารถเขาไปเห็นตรงนั้นได้ด้วยนะลักษณะของปัญญาเป็นไปในลักษณะอย่างนี้จนสูงสุดเนี่ถ้ามองในลักษณะของด้านของรากฐานลำดับแรกจริงๆก็เรียกว่าถ้าปัญญาจะเกิดได้จะต้องมาจากสีระวิสุทธิ ศีลจะต้องดีก่อนพฤติกรรมทางกายทางวาจาอาชีพต้องดีที่พอพฤติกรรมทางกายทางวาจาทางอาชีพดีปุ๊บมันจะพัฒนาไปสู่จิ ต, ตวิสุทธิความตั้งมั่นแห่งจิตทีนี้ความตั้งมั่นความหมดจดถึงคือสมาธิเกิดขึ้นทีนี้พอจิตวิสุธทธิเกิดขึ้นปุ๊บน่ะข้ากับวิสุธทธิทั้ง5เป็นปัญญาก็จะเกิดแล้วก็จะเริ่มขึ้นทิฏฐิวิสุธทธิความหมดจดถึงความเห็นเริ่มตั้งแต่กรรมสักตาสมาธิถี่เป็นต้นไป กางขาวิาณวิสุทธิความหมดจดแห่งยานเป็นเครื่องข้ามพ้นความสงสัยแล้วก็มะคามะขายานทัศนาวิสุทธิความหมดจดแห่งยานเป็นเครื่องเห็นว่าทางและไม่ใช่ทางปฏิปทายานทัศนาวิสุทธิกับความหมดจดแห่งยาณเป็นเครื่องเค้นทางปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วก็ยาณทัศนาวิสุทธิความหมดจดแห่งยานทัศานาเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยอันนี้เข้าไปแทงตลอดสัจจะทั้ง4ี่ได้ตามความเป็นจริงเลยงั้นอันนี้ก็ต้อง การจะเข้าไปถึงหรือเข้าไปเห็นตรงนั้นได้อันนี้ลองไปเกี่ยวกับในเรื่องการอบรมปัญญาถ้าไม่สามารถอบรมปัญญาได้ก็ไม่สามารถที่จะเกิดเป็นต้นได้เนะนี่ยทีนี้ไอตัวสัมมาทิฏฐิเนี่ยมีองค์ประกอบเนะีเป็นตัวหนุนนะีอย่างที่ได้กล่าวไว้สักครู่เหมือนกันว่า1นึ่สีความประพฤติ ท, ที่เกื้อกูลประพฤติไม่ขัดแย้งไม่เบียดเบียนเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่ทําให้เกิดปัญญาได้นะต้องมีสีสอสุดตะ สุดตาก็คือการรู้จักสดับเร่าเรียนอ่านตำราการแนะนำสั่งสอนเพิ่มเติมทั้งหลายตันี้อันนี้เป็นอุปกรณ์ของสมยสายสากัดฉาการสนทนาถกเถียงอภิปลายการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นสอบความรู้สอบค้นความรู้ประการที่4สมถะความสงบการทำใจให้สงบการไม่มีความฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายใจ ประการที่5้าเขาวิปัสนาการใช้ปัญญาพิจารณาเห็นสิ่งต่างๆ ต, ต, ตามสภาวะของมันคือเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยเนี่ยสัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยองค์ประกอบต่างๆดั้งที่ได้กล่าวเล ย, เยก็คือตัวปัญญาเนี่ยจะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยก็จะต้องเป็นไปลักษณะอย่างนี้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องฝึกให้เกิดให้มีขึ้นมีใครสงสัยเรื่องปัญญา เออในปฏิจจสมบาทถามว่ามันเชื่อมโยงกับอริยสัจไหมก็ต้องบอกว่าเชื่อยกตัวอย่างเช่นว่า อ, อาวิชชาคือความไม่รู้นะตัณหาคือความทยานอยากอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยตัวสังขารตัวกรรมพวกนี้เนี่ ย, ยอันนี้เป็น เป็นตัวเหตุเป็นตัวสมุทยาสัจจะเอาลเลยสิตัววิญญาณก็ดีตัวรูปนามก็ดีตัวอายตนะทั้งหลายตาหูจมูกเล่นกายใจทั้งหลายเหลา่านี้อันนี้เป็นตัวทุกข์สัตว์เป็นทุกข์สัจจะเอาลเลยถ้าหากความไม่เป็นไปความไม่เป็นไปนะความไม่เป็นไปของอวิชชาตันหาอวตานสังขารกรรมความไม่เป็นไปของ รูปนามขันห้าความไม่เป็นไปของอายตนะก็คือการดับลงของของของเหตุของสมุทไทยแล้วก็ของทุกข์ษัตริย์อันนี้ก็เป็นนิโรธแล้วก็ปฏิปทาสายดับทั้งหลายที่ดำเนินเช่นอวิชชาดับสังขารดับวิญญาณดับนามรูกดับเป็นต้นอันนี้อันนี้ก็เป็นมัดมก็เป็นไปลักษณะอย่างนี้ อันนี้ก็เป็นการมองปฏิจจสมุปบาทที่ประชุมลงในอริยสัจหรือบางแห่งท่านเจาะเฉพาะตัวได้เลยเอาวิชาเป็นทุกขสัจ ง, งเขตดให้เกิดเอาวิชาเป็นสุวรยสัจจ์ความดับของอวิชาและเขีุเกิดเข้าวิชาเป็นนิโรธาสัจจ์ข้อปฏิบัติให้ถึงนิโรธเป็นมรรคสัจจะเออเอาเฉพาะตัวเลยก็จะสามารถหย่ำลงสู่อริยสัจได้เฉพาะตัวก็ได้ นี่เป็นต้นสังขารก็เป็นทั้งทุกเป็นเหตุให้เกิดทุกยังไงดับทุกยังไงเป็นข้อถ้าเป็นปฏิปทาข้อป็นบาตรให้เข้าถึงความดับทุกยังไงทุกตัวก็ย่างลงอริยสัจไดหมดเลยอันนี้ก็เจาะในรายละเอียดกันลึกลงไปเล ย, ยนี่เป็นอย่างนี้นะมีอะไรถามไหมอ้าสมมติว่าเรามีปัญญาแล้ว ปัญญาจะพาเราไปสู่ความดีเต่อแต่ว่าจะใช้ปัญญาแบบไม่ดีก็ได้อ๋อคือมันอย่างนี้เออถามดีเออเป็นเด็กเราถามได้ดีปัญญาเนี่ยมันมียสองอย่างนะเวลาปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันคิดประโยชน์ได้จริงๆสามารถจะเข้าไปถึงความดีงามทําสิ่งที่สร้างสรรค์ทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้แต่ในขณะเดียวกนเนี่ยทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้เยอะแยะหมดเลย แต่มันมีอีกกรณีหนึ่งซึ่งต้องระวังก็คือบางคนเอาปัญญาไปรับใช้กิเลสคำว่าเอาปัญญาไปรับใช้กิเลสก็หมายความพอมีปัญญาคิดอ่านอะไรได้แล้วนักเข้ากิเลสมาเกิดต่อมาเกิดในใจของนั้นพอกิเลสเกิดในใจปุ๊บโอ้โหเกิดอยากได้ขึ้นมาไอ้นี่เรามีปัญญาเรียนรู้มาก่อนแล้วใช่ไหมพอมีกิเลสอยากได้หรืออยากทาลาย อยากยิ่งใหญ่แบบผิดผิดขึ้นมาเอาละสิแต่เนี้ยนั้นปัญญามันรู้แล้วเข้าใจอย่างปัญญาดันกลายไปเป็นลูกน้องน้องกิเลสซะนี่แทนที่จะเอาปัญญามาประหารกิเลสจัดการกิเลสกับเอาปัญญาไปรับใช้กิเลสไปรับใช้ความโลภเอาปัญญาไปรับใช้ความโกรธเอาปัญญาไปรับใช้ความหลงเสียหายไหมแต่เนี้ยเสีย ห, ยหายหรือไม่เสียหาย <Yeah. S 1> เออในไปทําให้เสียหายยกตัวอย่างเอ า, เอาเรื่องหนูนี่แหละมาบวชอยู่ปุ๊บ่อยรู้ปัญญาแล้ว ได้ปัญญาแล้วสมมติได้ปัญญาไปแล้ว ไ, ไ, ดได้ปัญญาได้ความรู้ได้ความเข้าใจปุ๊บนี่เป็นคนที่มีเล่เหลี่ยมจกักมีกิเลสในใจเยอะใช่ไหมพอมีคนจะพูดเรื่องอะไรปุ๊บโอ้โหพูดดักเข้าหมดเลยเอาปัญญาไปรับใช้กิเลสเท่านี้ตอนหน้าคนอื่นโอ้ยทําอะไรดีมากเลยทำปุ๊าปุ๊บป๊า ป, ป, ปุ๊บ๊เพราะฉลาดนี่จะเอาใจใครก็ได้ทําอะไรใครก็ได้ก็รรู้หมดแล้ว แต่พอ ร, รับหลังครับไอที่ทาไปทั้งหมดไม่ใช่ต้องการจะหลอกเขาแค่นี้หลอกให้เขาตายใจเขาจะได้เอาของออดีๆมาให้เราเห็นไหมมีปัญญาทั้งทีกับกายเอาไปรับใช้กิเลสเอายกตัวอย่างเป็นรูปธรรมให้คนเห็นพวกคนบางคนเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถมากโอ้สามารถวิจัยสิ่งต่างๆได้เยอะแยะหมดวิจัยประกอบออปรามนูก็ได้ ประกอบระเบิดก็ได้นะ่ยไอ้ประกอบระเบิดประกอบปรมาณูประกอบอาวุธยุโทโธปกรณ์มันเอาปัญญาไปคิดเรื่องนี้โอ้โหแทนที่จะคิดเพื่อทําไว้เอาไว้ขู่คนอื่นเอาไว้ว่าเ อ, อเนี่ยมันมีประเทศที่มีอาวุธร้ายแรงอย่างนี้นะใหม่เลยไอ้เจ้านี้ทําเสร็จแล้วไปจัดการคนอื่นจริงๆเลยไอ้อย่างเนี้ยเขาเรียกเอาปัญญาไปรับใช้อะไรกิเลสหรือบางคนเนี่ย พอมีปัญญาอะไรมากๆแล้วเนี่ยโอ้เอ็ค น, นี่มันไปอยู่กับไอ้คนชั่วคนนี้ดีกว่าถ้าไปอยู่กับคนชั่วคนนี้แล้วเราจะได้รวยเอาแล้วแล้วแทนเอาความรู้ความสามารถเอาปัญญาก็เราไปรับใช้คนชั่วซึ่งเสียหายเลยใช่ไหมซึ่งหลายๆที่เราก็จะเห็นเป็นแบบเนี้ดังนั้นต้องระวังว่าเมื่อมีปัญญาแล้วเนี่ยต้องอย่าให้ปัญญาไปรับใช้กิเลสนะ ถ้าเอาปัญญาไปรับใช้กิเลสเมื่อไรปุ๊บมันจะสร้างความเสียหายตามมาอีกเยอะเลยฉะนั้นเอาวิธีการตามยังไงต่อต้องฝึกปัญญาให้เกิดขึ้นและในขณะเดียวกันก็ต้องรู้ทันตากิเลสในใจเราด้วยและอย่าไปตามใจเวลาความโลภมันเกิดขึ้นมาปุ๊บปบบกใหม่ฉันไม่ตามตามความโลภหรอกฉันต้องจัดการความโลภในใจฉันก่อนเออเวลาความโกรธขึ้นมาปุ๊บเพราะเรารู้มากของคนอื่นเราเลยเอาความเอาปัญญาของเราเนี่ย ทำตามความโกรธไปทํำลายคนอื่นไม่เอาฉันต้องทําลายความโกรธเรารู้มากกว่าเขาจะไม่ทําลายเขาเหมือนพ่อบริษัตว์พ่อบริษัทวนี่ฉลาดกว่าเขาหมดแต่ไม่ทําลายแต่เกื้อกูลคนไหมเกื้อกูลช่วยเหลือช่วยเหลือเพราะเป็นคนมีปัญญามากกว่าคนอื่นถ้าจะจัดการคนอื่นนิดเดียวสามารถจัดการได้เลยอ่เงี้ยแต่ไม่ทําตนเองมีทั้งฤทธิ์ด้วยมีอนุภาพด้วยแต่ไม่ทํำลายเขาให้อภัยเขา ให้อภัยต่อสัตว์ที่มืดบอดสัตว์ที่ไม่รู้แล้วก็ป้องกันไม่ให้คนที่ชั่วคนที่ไม่ดีทั้งหลายขึ้นมามี ม, มีสถานะเออใช้จัดการไปข่มเขาไว้แก้ไขใช้ปัญญาของเราจัดการว่าอีนี้ไม่ได้ให้คนนี้คนไม่ดีมามาม า, มาอยู่ในสถานะตรงนี้เดี๋ยวทําความเสียหายแล้วจัดการแก้ไขแล้วก็สามารถไปเปลี่ยนนิสัยเขาได้ด้วยแก้ปัญหาเขาได้ด้วยสามารถจัดการกิเลสเขาได้ด้วยทําให้เขากลายจากคนชั่วเป็นคนดีได้ด้วยเออยิ่งดีใหญ่เลย นี่เป็นอย่างนี้เราวแ ล, วแลวถ้าเกิดเรามีปัญญาแล้วถ้าเกิดปัญญาไปรอบใช้กิเลสแต่กิเลสมันเป็นกิเลสที่ดีไม่มีกิเลสไม่มีดีกิเลสจะไปดีได้ไงจะไปดีได้ไงกิเลสไปทางดีไม่ได้กิเลสก็ต้องมาเกิดมาเพื่อทําลายเลยกิเลสอย่างความกําหนัดยินดีเพลิดเพลินเนี่ยมันดีที่ไหนแล้วหรือความโกรธความพยาบาทอาฆาตมันดีที่ไหนล่ะ ความมัวเมาลุ่มหลงเนี่ยความมืดบอดมันดีที่ไหนละ่ะใช่ไหมความเฉยชามันไม่ดีความลังเลสงสัยเนี่ยมันดีที่ไหนละ่ะฉะนั้นปัญญาไปรับใช้กิเลสไม่ได้ปัญญามันต้องไปรับใช้สิ่งที่ดีสิต้องทําสิ่งที่สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามดิพญายาง <c oughs> อ้าวมีอะไรจะถามหมดแล้วอ้าวถ้างั้นวันนี้พักก่อนสมควรเกยวเวลา